ก็เราตอนมีแต่ผู้หญิงเนะตลาดหลักทรัพย์เข้าบางังคับมาป่ะหรือสมัครมานะแปลกหน้าตลาดหลักทรัพย์สนใจธรรมะกันดีเป็นงานที่เราทำนะมันงานที่ลำบากมากเลยแต่เราเป็นคนดูแลตลาดป่ะหรือเป็นบล็อกเกอร์นะ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 นึกว่าเรียนมากๆจะมีความสุขมีอำนาจมากๆจะมีความสุขมีเงินมากๆจะมีความสุขคนมีเงินมากๆก็ไม่เห็นจะสุขเท่าไรเลยแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วก็ลำบากเหมอนบางคนก็หวังว่ามีแฟนดีๆมีสามีดีๆมีภรรยาดีๆจะมีความสุขความสุขไปอิงอาศัยคนอื่น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 มีรถยี่ห้อนี้ก็ไม่ได้ต้องยี่ห้อนี้อะไรีมีกระเป๋าต้องกระเป๋าอะไรหลุยวิตตองจะเล่นตุ๊ ก, กตาก็ต้องตุ๊กตาบลาย <c oughs> นะเออจะทำอะไรนะมันมีแต่เรื่องเดือดร้อนอะ่ะมันเกินจำเป็นเยเรานั่งรถยนต์นะซื้อรถมานั่งคันหนึ่งทุกวันนี้เราแทบจะไม่นั่งด้วยด้วยก้นแล้วนั่งด้วยหน้า นั่งรถยี่ห้อนี้แล้วมันภูมิใจใช้อย่างนี้แล้วภูมิใจมันทำให้ชีวิตเรานะลำบากหาเงินแทบตายเลยลไม่ค่อยพอใช้เป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะเลยกลายเป็นแมงเมาแบงค์มันก็รีบออกบัตรเครดิตมาให้หาแม่งเมาหาเหยื่อเราก็เป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวเลยชีวิตนั้นเหน็ดเหนื่อยมากเลย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 คนที่มาเรียนกับหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนี่มีเป็นหมื่นชีวิตจิตใจนี่เปลี่ยนแปลง น, นับจํานวนไม่ถูกแล้วนับประเมินไม่ออกแล้วว่าเท่าไหร่นะมันไปทั่วโลกแล้วที่ยังไม่ได้ข่าวว่าเรียนธรรมะของหลวงพ่อนะมีเอธีโอเปียนี่ยังไม่ได้ยินมันเป็นเอธตายเกือบหมดแล้วะที่อื่นที่อื่นก็ได้ยินว่าพขเรียนกัน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 มันว่างจากกิเลสมันว่างจากความปรุงแต่งมันว่างจากตัวตนมันว่างจากทุกไม่ใช่ว่างเปล่านะนิพานมีความสุขนิพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราตลอดเวลานิพานไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆไม่ใช่สิ่งที่จะดับไปได้นิพานมีอยู่ตลอดเวลานิพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี้เองนิพานไม่ได้อยู่ไกลๆพวกเราชอบวาดภาพนะอยากปฏิบัติธรรมแแต่ว่านิพานอยู่ไกล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 ใจที่ยังปรุงอยู่ก็ไม่เห็นนิพพานใจที่ยังมีกิเลสอยู wow ่ก e <mo> ็ไม <TI> ่เห็นนิพพานนนิพพานว่างจากอะไรว่างจากความเป็นตัวเป็นตนของเรามีไหมตัวตนเรายังยึดถือในกายยึดถือในใจอยู่ก็ไม่เห็นนิพพานะรู้สึกไหมกายนี้เป็นตัวเราใจนี้เป็นตัวเราในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้เป็นคนเดิมนะเราคนนี้เดี๋ยวนี้ก็เราคนนี้ตอนเด็กๆก็เราคนเดิมเราคิดว่ามันมีเราอยู่จริงๆ ทำาเมื่อไหร่ภาวนาจนสติปัญญาแก่รอบเนี่ยเห็นมันไม่มีเรานะก็จะเห็นนิพพานไม่ยึดถือในรูปในนามเมื่อไหร่ก็จะเห็นนิพพานยึดถือในรูปในนามในกายในใจอยู่เขาไม่เห็นนิพพานเห็นอะไรเห็นรูปนามเห็นสมมุติบัญญตัติเห็นอยู่เท่านั้นเองนิพพานว่างจากทุกนะพวกเรามีทุกไหมเรายัางทุกอยู่นะทุกอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งอยู่ก็ทุกนะ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 ท่า น, นสอนเลยนะพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันเนี่ยเย tiro tiro <Hitler> ห, <redundant> ห็ น, นสิ่งเดียวกันเห็นอะไรเห็นสิ่งเดียวกันเห็นนิพพานพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันเห็นสิ่งเดียวกันแะแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอกเรามาภาวนาต่อนะถึงรู้ว่ามันอันเดียวกันหมดเลยเห็นนิพพานด้วยกันนะั่นแหละแต่ความรู้ความเข้าใจเนี่ยไม่เท่ากัน ครูบอาจารย์บางองค์ท่านเคยเทียบนะรู้สึกเหรอเจ้าคุณหนอท่านบอกพระโสดาเนี่ยเห็นนิพพานนะเหมือนฟ้าแลบแวบบเดียวดับไปแล้วยังจําไม่ทันถนัดเลยว่าอะไรเป็นอะไรพระสกท า, าขานี่เห็นนิพพานเหมือนคนที่เห็นอะไรต่ออะไรในคืนเดือนมืดแต่มีดาวนะเนี่ยพวกที่ชอบกบุริทางช้างเผือกอะไรอย่างเงี้ยนะ มันมืดนะแต่มันไม่มืดจริงมันก็ยังมีแสงนิดหน่อยพอมองเห็นอะไรบ้างนะเห็นได้นานขึ้นกว่าฟ้าแลบใช่ไหมก็ไม่ชัดอยู่นั้นนหะท่านบอกพระอนาคานะานเห็นนิพพานเนเหมือนเห็นสิ่งต่างๆกลางแสงจันทร์นี่ชัดขึ้นละส่วนพระอราหันต์เนี่ยเห็นนิพพานเหมือนอยู่กลางวันเนี่ยกลางแสงแดดเห็นชัดเห็นได้ตลอดเวลานี่เที่ยวคุณนอท่านอธิบาย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 ดีเกินกว่าที่ทาธาตุขันของมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะของฆราวาสเนี่ยรับไม่ไหวฆราวาสมันจมอยู่กับความทุกข์มาตลอดนะไดีสัมผัสความสุขขนาดนี้ทนไม่ไหวชอกตาสุขมากไปและมีความสุขอันยิ่งเลยนะแต่ว่ามันจะสุขแบบรุนแรงอยู่ยางเงี้ยสักปีวกว่าๆสองปีหลังจากนั้นจิตใจจะเข้าไปสู่ความสมดุลอีกชนิดหนึ่งสงบสุข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 ยังไม่ถึงไม่มีเลยนะแต่มันเล็กหน่อยพอทําไปด้วยกิเลสที่บางๆนะอคติมันน้อยการตัดสินใจนะี่มันมันถูกต้องมั่นคงมากขึ้นกระทั่งการใช้ชีวิตธรรมดานะใช้ชีวิตครอบครัวใช้ชีวิตอะไรเนะีย่ยจะใช้ชีวิตอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้นเพราะนั้นหน้าที่ของเราก็คือศึกษาธรรมะสีว่วันวันนี้วันที่หนึ่งเห็นไหมจะมาสี่วันหรือเปล่า ต่ไปสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนนะก็คือทำอยังไงการปฏิบัติธรรมนะจะทำยังไงการปฏิบัติธรรมมีสองส่วนนะส่วนของสมถกรรมฐานทำไปเพื่อความสงบของจิตใจกับส่วนของวิปัสสนากรรมฐานทำไปเพื่อให้เกิดปัญญารู้ความจริงของกายของใจมีสองส่วนสมถกรรมฐานนั้นหลักของมันง่ายๆ่าให้รู้อารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องด้วยจิตใจที่สบายสบาย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 ก็มีเงื่อนไขแรกต้องมีสติก่อนไม่มีสติเป็นเครื่องระลึกรู้สติไม่ได้แปลว่ากําหนดนะคนรุ่นเรานี้เพี้ยนละไปแปลสติว่ากําหนดกําหนดแปลว่ากดแปลวะ่าข่มใช้ไม่ได้ให้มีสติคือความระลึกรู้ระลึกรู้กายระลึกรู้ใจตามที่มันมีอยู่พูดง่ายๆอย่าลืมกายอย่าลืมใจรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆนั่นแหละเรียกว่ามีสติ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 รายละเอียดแนละ้อาเชิญไปทานข้าว